พระอาจชี้กับท่านอุปติสาหรือภาษาลิบุตรพบกันนะว่าเยธรมาเฮตุปปปวาเตสั่งเฮตุงทธาคาตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาธีมหาสมโนว่าพระมหาสมณะคือาศาสดาของเรามีปกติตรัสเสมอว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุนะเราจะทําสิ่งนั้นให้ดีก็ต้องทาที่เหตุเราจะนั่งนั้นที่เสียก็ทาที่เหตุ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 ต้องชัดนะรูปเนี่ยเราพอวัดได้คือตัวหนักตัวหนืดตัวเหน็บตัวเจ็บตัวปวดเป็นตัววัดว่าอยากกลางหรือละเอียดใช่ไมถ้าอยากมันความเม่นทนไม่ได้เราเปลี่ยนละถ้าสบายนี่ก็ไม่ต้องทนสบายสบายแต่ถ้าปานกลางนี่รู้สึกนิดนิดหนึบตรงนั้นินดเหน็บตรงนี้หน่อยปวดตรงนี้นิดคันตรงนี้หน่อยหนักตรงนี้รูมันไปอพอทนได้เป็นระดับกั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 รู้สึกเฉยๆถามว่าเฉยๆแบบไหนเนี่ยแบบอุเปขาหรือแบบอาทุคขมสุขเวทนาถ้าเฉยๆแบบอาทุกขมสุขเวทนาเป็นเฉยๆของอะไรของโมหะอวิชชายิ่งเฉยนานท่ายก็ยิ่งโง่เท่านั้นเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งเฉยๆเฉยๆแบบรู้เท่าทัน่ะเฉยๆแบบรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้เป็นเฉยๆของอุเปขาเป็นองค์ของพทงุทธชเป็นองค์ของปัญญา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 โดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงลัดเฉาเออรัดไลนฮารไลน์นะอะไรก็เร่งอะไรก็รีบอะไรก็ร้อนไปหมดมันไม่เ อ, อื้ดต่อการที่จะให้เราแยบขายแต่ถ้าเรามีความทั้งใจศึกษาเรื่องนี้จริงๆนะเราแยบขายได้แยบขายได้แต่พอเราไม่แยบขายจุดหนึ่งมันก็เถินไปจุดหนึ่งอไม่แยบขายสมมติว่าเรานั่งทานข้าวเนี่ย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 พอไปเรื่องจิตท่านแยกเป็นทั้งอะไรสาราคังวีตราคังสะโทสังวีตัโทสังสะโมหังวีตะโมหังสังหิตังวิขิตังมาคะตะอามากะตะสอุตรังอนุตรังสมาหิตังอสมาหิตังวิมุตตังอวิมุตติบหวาระของจิตลยเห็นไหม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 แต่ถ้าเราไปสนใจละเอียดสูงนี่เราปฏิบัติไม่ถูกสับสนใช่ไหมท่านก็ย่อเหลือให้สั้นที่สุดเวทนาที่ขยายไป็นวิีขีดเป็นทั้งท่างี่สิบแปดขนาดมาเล่าเหลือสามใช่ไหมเริ่มเลยสุขขังเวทนานังทุสุขขังทุกข์ขังสุข์มัสุขังสามิสังนิลามิสังไปเรื่อยไปถึงสิบแปดขณะย่อเหลือสามคือเวทนานี่บางครั้งเราก็ดูที่ว่าตายหมดเราที่หมดที่